ใครใครที่อยากอายุยืนนะน่าจะสนใจเรื่องนี้นะพระเจ้านะได้สอนถึงวิธีหรือว่าปัจจัยที่จะทำให้อายุยืนนะเป็นคำสอนที่ชื่อว่าอายุวัฒนะธรรมนะตรงตัวเลยนะอายุวัฒนะก็ก็คือธรรมที่ทำให้เกิดความอายุยืนนะแล้วก็ยืนแบบมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ยืนแบบ มีสายระยงระยางาห้อยนอนติดเตียงนะคนอแรกเลยนะทำได้ง่ายมากนะก็คือท่านสอนให้ทำสิ่งที่สบายนะไม่ว่าจากการกินการอยู่การนอนก็ให้สบายนะอันนี้ทำได้ง่ายใครๆก็ชอบอยู่แล้วนะ แต่้อที่สองนี่ท่านบอกว่าให้รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็คือว่าอย่าสบายมากไปนะต้องเจอความลําบากบ้างเดี๋ยวนี้เราก็พบแล้วว่าชีวิต ท, ที่มันสบายมากเกินไปมันทาให้เกิดโรคแล้วก็อายุสั้นนะเช่นคนที่เอาแต่นั่งดูโทรทัศน์นะวันละหลายชั่วโมง mm hmm. ก็พรามีโอกาสที่จะ ตายเพราะโรคหัวใจมากกว่าคนที่เขาทํางานปกติเนี่ยนะทังสี่เท่านะเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนนะแม้แต่ทํางานถ้าทํางานอยู่แต่บนโต๊ะนะอยู่ในห้องแอร์อันนี้เขาอายุไม่ยืนนะถึงแม้ว่ามันจะสบายเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำนะว่าให้ออกไปเจอแดดบ้างหรือว่าออกกําลังกายบ้าง ออกกาลังกายนี่มันไม่สบายนะมันเหนื่อยแต่ว่ามีประโยชน์ชีวิตที่ไม่มีการออกกําลังกายเลยชีวิตที่มีเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอนอดูโทรทัศน์ฟังเพลงหรือว่าทํางานแต่ว่าก็ทํางานแต่ในห้องแอรนะ์อันนี้ก็จะทําให้อายุสั้นนี่นี่บางแห่งสถานการบางแห่งเขาก็ให้ทํางานไม่ใช่ให้การนั่งนะให้ยืนทํางานนะ ท่นี้เป็นงานใช้ความคิดแต่ให้ยืนยืนทางานยืนคิดเอานะมันปรากฏว่ามันช่วยได้ทั้งความคิดก็แล่นสุขภาพก็ดีด้วยนะอันนี้ในอเมริกาหลายแห่งเขาเริ่มแล้วนะให้พนักงานนี่ยืนทำงานดูไม่ใช่พนักงานระดับกรรมกรนะก็เป็นพวกที่ทำงานในออฟฟิศนี่แห ล, ละพะงั้นการทำอะไรที่สบายมากเกินไปมันไม่ดีนะ ผู้ จ, จ้าตรว่าให้รู้จักประมาณในความสบายนะไม่ว่าจะเป็นการกินนะการนอนการบริโภคหรือการทํามันต้องมีลําบากบ้างข้อที่สามเนี่ยผู้เ จ, จ้าตรัสว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายนะอาหารที่ย่อยง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าค้นพบมานานแล้วสมัยก่อนนี่ เขามีความเชื่อว่าคนที่มีฐานะดีๆนะต้องกินเนื้อนะยิ่งประเภทพวกเครื่องในนะก็ถือว่ายิ่งดีมันมีฝรั่งหลายคนนะที่เรียกว่าเป็นร่ำรวยมากนะในยุโรปยุค ก, กลางนี้เช่นพวกตระกูลมดิซี่เนี่ยรวยมากนะเป็นผู้ปกครองไกลๆของนครฟอร์เรนซ์ พวกนี้รวยเพราะว่าเป็นพวกที่ทําธนาคารแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของธนาคารที่เรารู้จักกันอายุไม่ยืนนะอย่างโรเลนซโซนี่ก็ตายอายุ40นะตายเพราะโรคเกาพ่อก็เป็นลูกก็เป็นนะไม่ใช่กรรมพันธุ์นะแต่เพราะว่ามันกินดีไปนะแล้วก็กินอาหารที่เรียกว่าย่อยย่างนะกินเนื้อพวกนี้ไม่กินผักกันนะ หรือว่าอย่างพวกโชกุนในช่วงองค์โชกุนนี่คนไทยท้ายนี่อายุก็แค่ยี่สิบกว่าก็ตายตายเพราะขาดวิตามินบีนะไม่ได้ตายเพราะโรคติดเชื้ออะไรนะตายเพราะวิตามินบีเพราะว่ากินแต่ข้าวขัดนะข้าวขาวไม่ได้กินข้าวกล้องข้าวกล้องมันมันอ่มันค อ, อจะรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่สวยนะต้องข้าวขาว อายุแค่ยี่สิกว่าก็ตายแล้วแต่ว่าไอ้ข้าวนี่มันต่างอย่างเนื้อนะเนื้อนี่มันฝรั่งก็ก็เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่ากินมากๆนี่มันก็เป็นอันตรายนะต่อสุขภาพก็หันมากินพวกผักนี้คนที่กินมังสาวิรัตนะเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตเลยก็มีเยอะก็คงมีส่วนทําให้อายุยืนด้วยนะอันนี้วิธีหนึ่งที่ช่วยทํำให้ กินอาหารที่ย่อยง่ายได้คือเคี่ยวให้ละเอียดน ะ, ะถ้าเคี่ยวให้ละเอียดก็ช่วยได้ยิ่งเป็นคนแก่ด้วยยิ่งต้องอประพฤติตามข้อนี้ให้มากๆข้อที่สี่นะก็คือมีศีนะสีนี่แน่นอนอยู่แล้วนะแค่ศีห้าข้อเดียวนี้ก็ช่วยให้ให้อายุยืนได้หรือว่าไม่ช่วยช่วยทําให้เหตุปัจจัยให้อายุสั้นมันน้อยลงเพราะากินเหล้ามากก็ตายเร็วนะตายเพราะ อุบัติเหตุก็ได้ตายเพราะถูกเขาตีหัวเอาก็ได้ไปอารวาสเขาแล้วก็เขาก็เลยแก้แค้นตอบโต้กลับมาก็ตายหรือว่าตายเพราะโรคนะสุราเรือดลังแต่ถ้าเรารักษาศีลเขาอื่นด้วยนะยิ่งเป็นศีลแปดด้วยนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพาะศีลแปนี่เป็นเรื่องการอยู่ง่ายกินง่ายแทนที่จะกินข้าวหลายมือ้อก็กินข้าวสองมื้อนะ่ะ อาหารในเวลาวิการก็งดซะแทนที่จะใช้พลังงานแบบการเที่ยวการเล่นนะก็งดซะนั่จาขีตาวิตถิตานี่มันช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะนะการนอนในที่นอนที่ไม่สูงใหญ่นะนอนบนไม้กระดานนี้ก็ช่วยให้สุขภาพหลังดีนะเงี้สีนี่มันก็เป็นปัจจัยทาให้สุขภาพดีอายุยืนไม่มีศัตรูที่จะมาทาร้าย ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อลอนใจทําให้กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจซึ่งบั่นทอนอายุให้สั้นลงข้อที่ห้าคือมีกัลยาณมิตรน ะ, ะกัลยาณมิตรไม่ช่วยนะช่วยตั้งแต่ทําให้มีศีลถ้าได้ปาปามิตรนี่มันก็พาให้ผิดศีลพาเข้าหาอบายมุขถ้าได้กัลยาณมิตรนะหรือมิตร ด, เดีเขาก็ทําให้มีศีลแต่ว่ากัลยาณมิตรหนึ่งมีประโยชน์มากกว่านั้นนะก็คือ ทำให้เกิดสังคมอย่างคนแก่นี่ถ้าอยู่คนเดียวหงอยนะแต่ว่าถ้ามีหมู่มิตรนะได้พูดคุยสนทนา ก, ก, ก็มีความสุขคนสมัยก่อนก็มีวงกาแฟวงนะมีวงมีกวนไปไหนไปด้วยกันนะไปทำบุญด้วยกันไปทอดผ้าป่าด้วยกันหรือว่า สนทนาวงกาแฟทุกเช้าเนี่ยก็ช่วยทำให้อายุยืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกนักวิทยาศาสตร์ก็หรือว่าพวกที่ทำเรื่องสุขภาพการแพทย์นี่ก็ก็ยอมรับนะว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องกายโดยตรงนะแต่ว่าจิตใจกับกายก็สัมพันธ์กันมากเพราะนั้นนี่ถ้าเรา หรือใครก็ตามอยากจะมีอายุยืนแล้วก็พยายามทำห้าข้อนี้ให้ได้นะทําสิ่งที่สบายแต่ว่าอย่าสบายมากไปให้รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายไม่ว่าการกินการอยู่การบริโภคการนอนแล้วก็รู้จักกินอาหารที่ย่อยง่ายมีศีลแล้วก็มีกระะารยานมิตรนะอันนี้ก็จะช่วยทําให้อายุยืนได้แล้วก็เตรียมรับพร